เรื่องทางห้าสายสลายทุกตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวิัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแหล่เพื่อนสะท ม, มิกแล่ทันสาธุชนผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมผู้แสวงหา ความสงบผู้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้พูดจะได้ฟังกันในธรร ม, มิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสังสอน ในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่นานต่างๆให้จงตั้งออกตั้งใจฟังกันด้วยดีแม้จะไม่สนุกสนานแต่มันจะต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พาสนาเสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้วั <c oughs> นนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องคนทางที่จะพ้นไปเสียจากทุก <c oughs> ขอให้เข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรคำสั่งสอนทั้งหมดในพุทธศาสนานี้แปด0มื่นสี่พันพรรมคันแปดล้านสี่แสนแปดโกดสี่ตื้อก็ตามร่วนจะเป็นถ้อยคำเป็นอุบายวิธีคำแนะนำพร่ำสอนที่จะให้เรารู้จักทางออกไปเสียจากทุกข์ ส่วนการปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอย่างไรข้อวัดปฏิบัติอย่างไงก็ตามมันจะมีเป้าหมายอยู่ที่ความพ้นไปจากทุกข์หรือทําให้ความทุกข์สิ้นไปจากจิตจากใจนั่นเองส่วนพ้นที่เรียกว่าปฏิเวทคําสั่งสอนที่เราเรียนเรียกว่าปริยัต พอวัดปฏิบัติที่เราลงมือกระทำเรียกว่าปฏิบัติปริยัติกาเรียนรู้เรื่องที่จะออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะพ้นไปจากทุกข์ผลของการปฏิบัติก็คือการพ้นไปจากทุกข์จริงๆมันก็มีเพียงเท่านี้ทุกทุกทุกในที่นี้พูดกันแต่เรื่องทุกข์เหมือนกับพุทธศาสนาเป็นเพลสมิสมเป็น าศาสนาที่มองในแง่ร้าย <c oughs> คำว่าทุกข์นั่นมันหมายถึงความทุกข์ทางใจจิตใจเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของความทุกข์เราจะพ้นจากทุกข์ทางใจปฏิบัติเพื่อให้ใจพ้นไปจากทุกข์ส่วนกายนั้นมันพ้นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ทุกทางกายอย่างแก่งก็บันเทานั่งนานปวดแข้งปวดขาเป็นทกุกข์ก็เพลิกไปเสียครั้งหนึ่งก็บันเทาทุกข์เปลี่ยนอิรยาบทครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเพราะเหตุแห่งทุกข์มันบีบขั้นเพื่อจะให้มันบันเทานั่นเองมันไม่ใช่ว่าเพื่อมันจะดับทุกข์หายทุกข์เหงื่อนั่นก็เกิดความทุกข์ หากมากินเพื่อจะดับทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่ดับได้โดยสิ้นเชิงคิดดูเถิดแม้แต่กระพริบตาแต่ละครั้งนั้นก็ทุกขความทุกข์บีบคขันให้กระพริบตาความทุกข์ทางกายนี่มันได้เพียงแต่บรรเทาส่วนส่วนรากเหง้าแห่งความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่จิตจิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นเจ้าของทุกข์ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมาก็เพราะจิตใจเนี่ยพอเหตุนั้นเมื่อจิตใจยังมีเชื่อมียางเหมือนพืชมีเชื่อมียางมันก็ต้องเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อยู่อย่างนี้ส่วนร่างกายตายแล้วก็แล้วมันไม่ได้เกิดมาอีกหรอกร่างกายเนี่ย เพราะนั้นจิตใจเมื่อมันพ้นไปจากทุกข์ได้ไม่มีรากเง่าที่จะให้มันเป็นทุกข์เหมือนเมล็ดพืชมันไม่มียางที่จะให้มันเกิดเอาวานลงไปในดินฝนตกฟ้าร้องมาร้อยห้าพันคนมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อภาษาบาลีเรียกว่า ยางจะนี่ว่าสเนาสเนหะเสนหะนั่นแปลว่ายางพวกเราก็คงจะเข้าใจว่าสเสนหาทางจิตใจก็คือความติดใจอะไรอาวบนสเสนหาอะไรใจเจียนขาดเมือ่อใดยังมีสเสนหาอยู่ในใจเมื่อนั้นก็ใจมียางที่เดือดดูเถิด เ, เราทุกวันนี้ไม่อยากตายเพราะสเสนหาอยู่กับอะไรมียางอยู่กับอะไร อย่างอยู่กับสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนยึดถือแบกเทินไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องทรัพย์สมบัติสิ่งของลึกลงไปถึงเรื่องศักยภาพศักดิ์ศรีดิกนิตี้อะไรต่างๆที่เราลงแบก a t t a ภาษาฝรั่งเขาช้ค ว, ว่า attachment on attachment that's the burden of r i d e ทีนี้ถ้ามันหมดยางหมดยางหมดสเสนหามันก็หมดแอทแทสหมดความยึดมั่นเถอะมันมันก็เหมือ น, มนเมล็ดพืชที่ไรยางก็เกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเปรียบชีวิตของคนเหมือนกับพืชยะทาหิอัญจตาังพิชังเคเ ต, เตเวุตังวิโรหติ เปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปทวีระสัญจะอาคาเมิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสอุณหภูมิในแผ่นดินความร้อนความอบอุ่นความชุ่มชื้นในดินและเชื้อในอยางแห่งพืช น, นั้นๆ ภาษาบาลวะาปฐวีรัญจะอาขมะอาไซรสแห่งแผ่นดินสิเนหันจะตทุพยังและเชื้อในยางแห่งพืชนะ น, นั้นความอบอุ่นชุ่มชื้นในแผ่นดินกับเชื้อใยยางเห น, นียวอยู่ในเมล็ดพืชนั้นเป็นเหตุให้พืชเกิดขึ้นเอวังขันธาจะทาตุโยชะจะอายตนาอิเม ขันทังห้าธาตุทั้งร้ายอาญาตนะทั้งหกนี้ก็เหมือนกันแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ถ้ามันหมดเหตุมันไม่เกิดเหตุตรงปฏิจจสมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุคือความจึดมั่นถือมั่นอยู่ในใหญ่ยางอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ <c oughs> ถ้าเหตุนั้นแตกสลายมันก็ดับไปอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันไม่มีแอดทสนั่นแอดทศ ไม่มีความยึดมั่นเอือมันนั้นเสียมันก็หมดทางที่จะเกิดมาเพราะเห็นนั้นชีวิตจึงเป็นไซ c l e s อ f ฟไล e เป็นวงจรของมันอยู่ในตัววงจรปิดของชีวิตคือวนเวียนวนเวียนวนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมองในช่วงยาวๆมองในช่วงใกล้ๆมันก็เกิดตายตา ย, ตายเกิดอยู่ใน ทุกครั้งที่มีอะแทสที่มีความยึดมั่นถึงมันมันก็เกิดขึ้นเมื่อไดคลายความยึดมั่นถึงมันมันก็ดับไปเกิดอันใหม่ขึ้นมานี้ช่วงยาวชีวิตหนึ่งหนึ่งเกิดแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีธรรมกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้เกิดมาแล้วเป็นอนเนกชาต นับประมาณแสนแสนชาติเป็นโกธกับนับไม่ทวนแล้วที่เกิดมาเลือดที่ลังออกจากสรีละเมื่อตอนเป็นสัตว์เขาเข็นเขาข่ากินนั่งกลมมากไปกว่าน้ําในมาหาสมุทรน้ํานมของมารดาขีระธาราของแม่ที่เราได้ดื่มได้กินนี่มันก็มากกว่าน้ําในมาหาสมุทรหลายๆชาติเอามารวมกัน น้ำตาที่เราได้ร้อ ง, ห, อองห่มร้องไห้ยามพัดผ่าจากยรอะไรอ่ อ, อ, อนลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากผัวพัดผ่าจากของรักของชอบใจผิดหวังชอบช้ำระกำรรคมขื่นแต่ละชาติเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกแต่ละชาติที่ตายแล้วถ้าเก็บมารวมกันมากกว่าภูเขา ดูกนพิษุทธิทางห้ายเมื่อใดเธอเห็นคนร่ำรวยเศรษฐีมหาศาลรรมมหาศาลกระสับมหาศาลในแวนแควน้นหรือสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเธ อ, อ่ะได้ชื่นชมยินดีพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติฟังถูกหรือไม่ <c oughs> เห็นคนรวยเศรษฐีมัง่งมี ก็จนคิดว่าเราก็เคยมีอย่างนี้มาแล้วในบางชาติเห็นคนอาภัพคับแค้นพิ่กงพิการตาบอดง่อยเปรีย้ยเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาตายวิปริตจิตวิปรราทิโกพิการอย่าหัวเราะอย่าดูหมิ่นติดชิ้นนินทาพึ่งสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติ เพียงแค่นี้ก็ควรจะเหนื่อยนายเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรีบทําความเพียรเพื่อให้ถึงทำที่ยังไม่ถึงให้บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งทำที่ยังไม่เห็นแจ้งให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่กเกษมแห่งโยคะกล่าวคือพระนิพพานเนี่ยพร ะ, <ม> พ, ระพุทธเจ้าของเราท่านพูดอย่างนี้ ถ้ายังไงเสียทําเยื่อใอยยางในเจิตในใจตันหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้มันทุนเราเบาบางให้มองเห็นเป้าไม้แห่งชีวิตเป้าไม้พม่าจันคือความดับสิน้นแห่งความทุกข์ทุกทางกายเราบรรเทามันเท่านั้นแต่ทุกทางจิตมีทางที่จะดับได้มันเกิดจากอุปทานทุกทางกายบีบคั้นทางกายอปเรชั่นทางกายเหล่านี้ มันเกิดมาจากสังขารจากความไม่เที่ยงทุกทางจิตมันเกิดมาจากแอ t แทชเกิดมาจากความยึดมัน่นถือมัน่นที่ภาษาบาลีว่าอุปาทานอุ ป, ปะแปลว่าเข้าไปอาธานะถือเอาอุปาทานแปลว่าเข้าไปถือเอาเข้าไปแบกไปหามไปยึดไปถือใจนะมันเข้าไปเป็นเจ้าของ วันนั้นถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้มันก็หมดเท่านั้นเองด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าใ ห, ให้พยายามฝียให้วัตรสงสารมันสั้นลงดูก่อนพิจาหลาหนทางย่อมยาวไกลสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าไม่มีเรื่องมีแรงที่จะเดินราตรีเวลายามกลางคืนยาวมากสำหรับคนนอนไม่หลับ คนนอนไม่หลับรู้สึกว่ากเวลากลางคืนมันยาวว่าแต่สงสารยาวมากสาหรับคนโง่ผู้ไม่รู้จักอริยสัจแต่สำหรับพระอริยเจ้ามันก็สั้นสั้นสั้นวงกลมๆอันหนึ่งเราจะว่ามันสั้นหรือมันยาววงกลมๆนั้นยาวไม่มีที่สุดแต่ถ้าตัดมันจอดออกไปทีเดียวมันก็สั้นนิดเดียวเอ เพราะฉะนั้นเราก็มาภาคเพียนพยายามเพื่อจะให้มันสั้นอย่างน้อยให้เข้าถึงธรรมโสดาบันโซดาบันโสตะแปลว่ากะแสอาปนะัญะเข้าถึงออกเสียงภาษาไทยว่าโสดาบันภาษาบาลีว่าโสตาบนะัานนะาโสตาปันนาโสตะปฏิยังคองค์คุณแห่งโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสถ้าแปลว่า เป็นภาษาไทยว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพานกระแสแห่งธรรมสตรีมอินเทอภาษาฝรั่งไว้เข้าถึงกระแสแล้วทํายังไงจะเข้าถึงกระแสอันนี้ถ้าเข้าถึงกระแสนี้ได้ไม่มีทางกลับหลังอย่างชาเจ็ดชาที่เกิดมาอย่างชาที่สดุดไม่เกินนั้นหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเมื่อรู้เท่าทัน สังสารวัตรที่ไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สดมันก็เหลือเพียงเจ็ดชาติที่ผ่านมาจนนับประมาณไม่ได้แต่บัดนี้เหลือนิดเดียวเพียงเจ็ดชาติเหมือนอีกเี็ดวันข้างหน้า น, นี้มันจะสิ้นไปตายไปเกิดในสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอีกถ้าอินทรีแก่กล้าปีกล้าข้าแข็งเกาะสองชาติสามชาติตีชาติถ้าชาติที่สุดก็เจ็ดชาติ ถึงที่สุดวิญญาณหลุดออกไปจากความแอ บ, บเองีงอาศัยในชาตินตี้ในชาติหน้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอันนี้สําคัญผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่เข้ามาเรียนผู้ที่เข้ามาจําศีลขอยพยายามพากเพียรในเรื่องเหล่านี้ทีนี้เราก็จะได้พูดกันต่อไปว่าจะทาอย่างไรจะทำอย่างไร มันก็เลยมีหนทางมีหนทางที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้อยู่ห้าสายหนทางห้าสายฟังไว้ให้ดีหนทางห้าสายนั้นก็คือหนทางที่จะออกจากทุกข์เราจะไม่พูดถึงทางนระกทางสวรรค์ทางไปสู่พรมโลกนิพพานอะไรแล้วพูดถึงทางห้าสายที่มันจะไปสู่พระนิพพานนั่นเอง แต่มันมีอยู่ห้าสายที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันเมื่อเราจะเดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครเราอาจจะไปได้ถึงห้าทางจะไปทางเครื่องบินจะไปทางรถยนต์จะอ้อมไปทางไหนก็ได้ขอให้มันถึงกรุงเทพกันแล้วกันวันก่อนไปแสดงธรรมที่หน้องคายครูบาอาจารย์ชื่อดังท่านมาจากป่าจากเขานิ ม, มนต์มาแสดง ท่านก็ไปเทศหนทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์หลังจาก น, นั้นท่านก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีสอนวิปัสสนาเลยมิจะสมถะทั้งนั่นสมถะสมาธิทั้งนั่นมันไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากทุกขสมาธิถ้าไมใช้ปัญญาหนี่คําพูดของท่านนะเราฟังฟังดูอยู่มันก็ไม่เทียง แต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดนั้นสิโดยเฉพาะเรื่องสมาธิสมถะเดี๋ยวนี้มีสำนักสอนวิปัสสนากันดาาเดินกาดเกินแล้วมักจะดูถูกสมถาะาสมาธินั่งหลับหูหลับตาสมาธิอย่างนี้ยังเก่งก็สูงสุดไปถึงแค่ผพมโลกไม่ถึงนิพพาน หลังจากนั้นก็ดูถูกว่าสมถะทำให้ติดแน่นติดลึกแต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ติเตียนเลยพวกเราติเตียงกันเองท่านไม่ให้เรากลัวสมถะแต่ท่านให้เรากลัวทะอันหนึ่งเรียกว่าอุปตโตพัทธะอุปตโตพัทธะแปลว่าชั่วทั้งสองทางไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสนา คนเรานั้นไม่เหมือนกันบางคนมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางความสงบชอบฝักใฝ่ทางความสงบแต่ยากมากที่จะมาวิวัฒนาการขึ้นสู่ปัญญาชั้นสูงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสงบมากๆแล้วก็เป็นไปได้ทีเดียวที่จะโน้มไปสู่การพิจารณาไตรรักอาริยสัพพิติสัมปปมปันธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง ไม่ดูถูกเครื่องสมถะท่านพูดทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเนี่ยว่าเป็นวิชาภากิยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝายแห่งความหลุดพ้นธรรมเป็นฝักฝายแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงคือสมถะและวิปัสนาเพราะนั้นหนทางห้าสาย ที่จะเป็นสู่ความหลุดพ้นเมื่อรวมแล้วมันก็จะมาสู่สมถะและวิปัสสนานั่นเองหรือจะขยายอาอกอีกที่หนึ่งก็ทั้งสมถะฝังวิปัสสนาไปพร้อมกันเรามาลองฟังดูเรื่องหนทางห้าสายในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรอื่นมากไปจากทางห้าสายอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่า ทางแห่งความดุดพ้นห้าประการมีหลักฐานในพระบาลีพระไตรปิฎกไว้ชัดอยู่ในปัญจการนิบาตปฐมปัญนาตอังคุตรนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสองวิมุตติสูตรข้อที่ยี่สิบหก ยี่สิบสองเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่ยี่สิบหหน้าที่ยี่สิบสามใช่ป่ะภาษาบาลีนะถ้าเป็นภาษาไทยมันก็เล่มยี่สิบสองข้อที่ยี่สิบหหน้าไปหาเลือกเปิดดูเอาเองก็แล้วกันถ้าเกิดว่าดูก่อนพิกษุท์ทางหลายเหตุแห่งความหลุดพ้นห้าประการซึ่งเป็นเหตุให้ จิตของพิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสะวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะฉันเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิบูธห้าประการเป็นฉนะิดดูก่อนพิกษุทั้งหลายพระสาตดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงทำแก่ภิกษุนในธรรมวิ น, นัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั่นตามที่พระสาวตดาหรือเพื่อนสะพมจารีผูดอยู่ในฐานนะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมเข้าใจหัวข้อเข้าใจความหมายามง่ายๆจิตเธอย่อมเกิดความปลาโมดเมื่อเกิดปลาโมดปลาโมดแปลว่าช่ำชื้นเบิกบานของใสและจะย่อมเกิดปีติ เกิดอิ่มอยู่ในใจเมื่อเกิดปีติกายก็สงบกายสงบไม่ไหวกายก็ผ่อนคลายถ้าเกิดปีติแล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดรวดร้าวอะไรนี่วอนทั้งห้า ม, มก็หายไปหลังจากนั้นก็เกิดความสุขกายสงบจิตผ่อนคลายกายสงบเมื่อเกิดจิตผ่อนคลายกายสงบมันมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ ดูก่อนที่สังหลายเมื่อจิตของเธอเป็นสมาธิตั้งมัตตแล้วเธอก็จะเห็นสิง่งท่างๆตามเป็นจริงนี่เป็นเหตุให้เกิดวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของพิษุพวกมัประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุทำอันเกเสิมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุนี่ทางสายหนึ่ง ทางสายนี้ก็คือฟังนั่นเองพูดได้ดีก็แปลว่าฟังในสมัยพระพุทธเจ้าของเราสมัยพุทธกาลคนมีจำนวนมากที่บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเป็นพระโซดาบันเข้าถึงธรรมแล้วก็เร่งเครื่องขวนขวายในการปฏิบัติยิ่งขึ้นก็เป็นพรอาหารหันในที่สุด หรือบางคนเป็นพระอาหารหันต์เลยต่อหน้าหรือบางคนก็สูงขึ้นเป็นสกิทาคาอนาคาลองลงมาจากพระอาหารหันต์ด้วยการฟังแล้วก็ไปพินิจพิจารณาต่อไปทำความเพียรสมาธิภาวนานิดหน่อยเจ้าบาลุทธรรมนี่มีจำนวนมากพวกนี้มีจำนวนมากอันนี้พูดพูดอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งวิปัสนาวิปลวแจปัตสนาทาให้เห็นแจ้ง วันลุถามพอกการฟังบางคนนี่เข้าใจในขณะฟังไม่มีง่วงเงาเฮานอนจิตผ่อนคลายจิตผ่อนคลายกายทำงับแต่พอให้เขาไปนั่งสมาธิเขาง่วงเขาเงาเขาอะไรต่ออะไรไม่เกิดสติปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วก็ได้ประโยชน์มากนี่บุคคลประเภทนี้ก็มีประเภทนี้มากอันดับหนึง่งในสมัยพระพุทธเจ้าต่อมาอันดับที่สองทางสายที่สอง เขาไม่ได้ฟังธรรมพระศาสดาพเพื่อนสะพมจารีที่อยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่พิษุก็แต่ว่าพิสุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ไ ด, ดได้ศึกษาได้เ ร, เรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดานเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ได้ฟังแต่ขนาดนี้กาลังเทศให้คนอื่นฟัง บางคนบรรลุธรรมในขณะที่เทศเพราะการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังย่อมใช้สติสัมปชัญญะสมาธิระดมทุ่มเทลงไปสู่กระแสแห่งพระธรรมเทศนาไม่ได้เคยคิดเอาไว้ก่อนสังเกตไหมว่าบางองค์เนี่ยยิ่งแสดงธรรมไปก็ยิ่งแตกฉานเหมือนคำพูดเ่านั่นมันหลังไหลล่องลอยมาในอากาศ ลักษณะเช่นนี้มันเกิดมาจากสมาธิจากสติจากสัมปชัญญะในขณะอยู่ดีๆไม่มีสมาธิมากไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมากแต่พอจะแสดงธรรม ท, ทีมันกลับตั้งใจจดจ่อใส่หัวข้อทำสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้คิดมาก่อนก็พลั้งผูออกมาจากจิตจากใจผู้เป็นภาษาภาคอีสานวันนั่งอยู่กมซ้อม บัดขืนไปทำมาดจับไมโครโฟนข้นเป็นเสือตัวใหม่เป็นผีตัวใหม่ <c oughs> นึกได้สมัยหนึ่งผมไปนั่งอยู่ที่ดอนเจ้าปู่ดอนปูตาอำเภอพานาเขามีงานเขามีงานบริวาสกรรมนี้มนผมไปแสดงธรรมช่วงนั้นไม่มีใครรู้จักถ้าไปนั่งอยู่ไทยทายบริษัทไ ท, ย, ทยเพื่อนใครๆเขาก็ไม่ให้ความสนใจอะไร เลยมีโยงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าคู่บาคู่บ <c oughs> าเอาศาสตร์เนยขอศาสตร์เนยอขาก็เอาศาสตร์ให้แต่พอถึงเวลาเขาประกาศองค์แสดงธรรมผมก็ขึ้นไปแสดงธรรมคนทั้งหลายพระเนนทั้งหลายที่มาเข้าบริวารกิ์กรรมเขาก็เห็นว่า อ, ององนี้หรือเจ้าจารย์ตมภบนั่งอยู่ตรงนี่แต่พอแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยๆบรรลือศีรษหน้าหัดไปสองชั่วโมงกว่า ลงมาแล้วทีนีก็มีคนมาบอกว่าแมเห็นตัวท่านแล้วก็เหมือนพระเล็กๆน้อยๆธรรมดาไม่เห็นจะมีวี่มีแววอาจะเป็นเพืบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจความจริงล้วนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอขึ้นไปเทศจะเป็นผีตัวใหม่ไปเลยความจริงเวลาขึ้นไปนั่งบนธรรมะไปแสดงธรรม จิตมันจะระดมทุ่มเทสังส ต, ติสัมปชัญญะทั้งสมาธิหลังไหลพลั่งผูออกมาในช่วงนั้นมันไม่ได้คิดอดีตอนาคตอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีความรักความชังใครทั้งนั้นมันถ้ามีก็มีความเมตตาหลังไหลออกมาเห็นคนที่นั่งฟังนั้นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีอะไรที่จะเล่าให้เขาฟังแม้ตัวเราเองก็เหมือนกันกําลังอยู่ในสภาพทรามกลาง ความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจิตมันก็ต่อไปที่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่มันก็พลั่งพูกันออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอกําลังแสดงธรรมให้คนอื่นฟังอยู่เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นเข้าใจในขณะที่แสดงอย่างปิงคิยะฟังเทศพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้แก่ลุงในขณะแสดงธรรมก็บรรลุอรานไปด้วยภิกษุที่แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียน ให้แกชนเราอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปลาโมดมีความสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูก่อนพิสุหลายนี่เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองนั่งอยู่ธรรมดานั่งพริกไปพริกมาเวลานั่งแสดงธรรมสามชั่วโมงก็ไม่พริกทำไมไม่พริกมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันลืมหมดมันมีปลาโมดมันมีปีติจิตผ่อนคลายกายลำงับปัสสถธิ กายมันสงบไม่เจ็บไม่ปวดแสดงทำไปเรื่อยเอื่อยไหลเรื่อยเหมือนกับน้ำไหลออกมา mm. พ่ออยู่แสดงทำเวลามันก็ล่วงเลยไปนานเมื่อเวลามันล่วงเลยไปสองสามชั่วโมงแบบนี้เวลาลุกลงมาจากธารรมะบางทีก็ได้เอามือจับขาดึงออกกายมันผ่อนคลายไปหมดหรือบางทีก็ไม่มีอะไรเลยไม่จเจ็บจะปวดอะไร mm. นี่นี่นี่เป็นหนทางที่สอง ในการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังมันก็ทําให้ตนเองใช้สติสัมปชัญญะสมาธิอย่างแรงกล้าอย่างสูงอีกด้วยจำไว้ให้ดีนะเพราะฉนั้นบางองค์ท่านแสดงธรรมท่านจึงเกิดความพิสดารกับตัวท่านเองนั่นแหละแต่บางท่านไม่เหมาะกับลักษณะเช่นนี้ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทางสําหรับทุกๆคนทางห้าเส้นห้าสายนี้เป็นหนทางที่เหมาะ แต่ละคนละคนเขา้าทำนองคนโบราณภาอีสานว่าทางห้างเร่เนตามใจให้เหลือดไตเจ้าหักมักเสศนเวิงท่งเหลี่ยวกหักมี้พู่ภาษาภาคอีสานเสียงในเฟรมซาวท랙ซิสเต็มกันน้อยเอาตัวมาเส้นทางที่สามที่จะไปสู่ความหลุดพ้นดูก่อนที่สุดทางายอีกประการหนึ่งพระสาตดา ห, หรือเพื่อนสะพมจารี ผู้อยู่ในฐานนะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอืน่นโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุนั้นย่อมทําการสาธายายธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุนั้นสาธายายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาได้เราเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปาโมดเมื่อเกิดปาโมดก็มีปีติมีปีติก็มีปสัสสธิจิตผ่อนคลายกายสงบแล้วก็มีความสุขก็จิตตั้งมั่นมีสมาธิอันนี้ก็คือหอนทางแห่งความหลุดพ้นอีกทางหนึ่งเรียกว่าทางที่สาม ทางที่สามนี่หมายเขาว่าเราไม่ได้ฟังทมและเราก็ไม่ได้แสดงทำแต่ในขณะนั้นเรากำลังสาธยายสาธยายนี่ก็หมายเขาว่ามันเป็นการเทศให้ตนเองฟังเพราะเหตุ น, นั้นการทาวัดการสวดมนต์มันก็เป็นหนทางอีกอันหนึ่งทางที่เส้นที่สามยิ่งทุกวันนี้ เราทําวัดแปลกันสูตรต่างๆครูบาอาจารย์ท่านแปลออกมาให้เราเข้าใจอย่างอย่างพวกเราสวดอย่งนี่เราแปลแม้แต่สูดที่ที่ที่อื่นเขาไม่ได้แปลเราก็แปลทั้งหมดนั้นต้องการให้พวกเราสวดสาธยายให้เข้าใจธรรมะมีความหมายจึงจึงไม่ต้องไม่ต้อง สวดเร็วๆ เ, เราสวดกันอย่างเชื่องช้าแต่ก็ไม่ช้าจนเกินไปให้มันเป็นจังหวะจักะโคนแล้วก็เวลาขึ้นก็พร้อมกันลงก็พร้อมกันหยุดพร้อมกันหายใจพร้อมกันเจริญอาณาปานาสติไปด้วยในขณะที่เราสวดนั่นเราจะต้องใช้สติถ้าไม่มีสติมันก็หลง บางทีตั้งนโมมันก็หลองหน้าหลองหลังตั้งนโมสามหนสี่หนก็มีสองหนก็มีถ้ามันมีสติมันก็ไม่หลองถ้ามันมีสมาธิมันก็เนิอหนาบตรวจเป็นจังหวะจะโคนฟังแล้วไพเราะมากเลยสรวดไปพิจารณาไปตามถ้อยคําอย่างเช่นกวาดธรมโมกุโลกปัปตนาตัดทัลิทารี เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราสวดสวดอยู่เนี่ยในวันหนึ่งเราอาจจะคิดขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาไปเอเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมแสดงว่ามันมีอยู่สองทรงประการแรกคนจะต้องเป็นผู้ทรงธรรม ประการที่สองทำจะกลับมาส่งคนผู้ทรงธรรมเข า, าทรงไว้ก็คือการฝึกฝนอบรมอย่างเราฝึกสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสติอยู่ทุกขณะความเคลื่อนไหวแห่งกายทุกขณะที่ใจนึกคิดคิดอะไรก็มีสติรู้ว่ามันคิดรู้สึกอย่างไรก็มีสติว่ามันรู้สึกอย่างไรและก็คอยปล่อยคอยวางรอคอยแต่รู้สึกเฝ้าคอยแต่จะรู้จักมัน และเฝ้าอคอยที่จะปล่อยวางแม้มันจะยึดถืออยู่ก็พัพยายามปล่อยวางเมื่อทำเข้าบ่อยๆเข้าครั้งแรกนี่เราพยายามส่งสติให้สติรู้จักให้สติรู้จักให้สติปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เมื่อนานๆนนเข้ามันกลายเป็นความเคยชินในในความรู้มันกลายเป็นความเคยชินในการปล่อยวางมันเร็วขึ้น ตรงนั้นแหละเมื่อมันเคยชินแล้วมันก็กลับมาทรงเรามันก็เกิดเป็นธรรมโมกุโลกับปั ต, ตนาตธาลิธารีเป็นธรรมตรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจะทําชั่วมันก็หัดเอา้าจะทําดีมันก็ฝึกเอา้าฝึกเคี้ยวมากฝึกโซบุรีฝึกกินเล้าล้วนแต่เป็นของไม่ดีล้วนแต่ไม่อร็ดอร่อยมากก็ไม่อร่อย เหล้าก็ไม่อร่อยค้อมคืนบุหรี่มันก็ไม่อร่อยปวดหัวแต่ฝึกข้าฝึกข้าวกลายเป็นของอร่อยกลายเป็นของดีฝึกสติฝึกสัมปชัญญะให้มีอยู่ทุกเมื่อ น, นานๆข้าวมันก็กลายเป็นความเคยชินความเคยชินนี่คําหนึ่งเคยชินทางธรรมจนเป็นอัตโนมัติคําหนึ่งภาษาบาลีว่าสัมโพธายาะออืาเรามาแกได้ยินว่า อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวตติออภินยาะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไอ้รู้ยิง่งรู้ยิง่งรู้ยิง่งรู้ยิง่งขึ้นไปเนี่ยคือการหัดทรงทำเมื่อมันทรงได้เต็มที่ทำจะกลับมาทรงเรากายเป็นสัมโพธายะกลายเป็นความรู้พร้อมเราได้ยินได้ฟังเราก็ได้สวด ธรรมจักกับปพวัตนสูตรแล้วก็สวดซูด่ยู่เป็นประจำเอเตเตวิกเวอุโภอันเตมัชิบาปฏิปทาพระภูดีญาวาดูก่อนพี่สังายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคะเตนะภิสัมพุทธาเป็นสิ่งที่ตถาคตด้ตัสสรู้เฉพาะแล้ว หลังจากนั้นทางปวายานะกรณีจักคูกรณีเป็นไปเพื่อเกิดยานเป็นไปเพื่อเกิดจักคุอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพานนี่มันเป็นลำดับลำดับลำดับไปเป็นไปเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้เป็นไปเพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น จะขูกรณีเป็นไปเพื่อเกิดจากขู่ไอ้จะขู่ในแปลว่าตาแปลว่าอายตาอะไรอกีกเราตามีอยู่สองตาเกิดตาอะไรอกีกเป็นไปเพื่อเกิดจากสุเลยมีตาที่สามที่สีสสสทส่ที่ห้าขึ้นมาหรือก็มีสองตาเท่าเก่าแต่ตาหรือจากสุในที่นี้หมายถึงตาในคือปัญญาจากสุตาแห่งปัญญาที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง มันจะเกิดของมันขึ้นมาด้วยการกระทําชนิดนี้หลังจากนั้นอุปสมัยะสงบเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสงบขึ้นอะไรจะทําให้วุ่นวายมันก็จะเรียบปล่อยวางให้เกิดความสงบวิธีใดที่จะเรียบปล่อยวางก็คือวิธีหัดรู้ให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น จึงบอกว่าอาภิญญายะเป็นไว้เพื่อความรู้ยิง่งเอาอันนี้ก็กรให้เกิดความไม่สงบอันนี้ก่อให้เกิดความทุกโวยจะจะไปทุกข์มันทําไมรีบปล่อยนี่มันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เข้าไปอีกว่าอันนี้ก็จะทําให้เกิดทุกโวยก็ปล่อยเข้าไปไม่เอามันไม่ยึดถือมันปล่อยมันวางมันอย่างนี้เลยว่าอาภินญายะอภินญายะอภินญายะรู้ยิง่งเข้าไปรู้ยิง่งเข้าไปหาดให้มันรู้ยิง่งอย่างนี้เรียกว่า คนกําลังจะทรงธรรมคนฝึกทรงธรรมเมื่อมันกลายเป็นความรู T ้ยิ่งมากๆเข้ากลายเป็นความรู้พร้อมสัมโพธายะโดยเราไม่ต้องไปหัดมันซะแล้วมันกลายมาเป็นเองเป็นเองเป็นเองโดยอัตโนมัติออโตเมติก knowing being by automatic automatic knowing being รู้เห็นอยู่เฉพาะอย่างนั้นน่โดยอัตโนมัติตรงนี้เรียกว่า สัมโพธายะสัมโพรายะนี้คือทำกลับมาส่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะนั้นการสวดมนต์สาธายายนั้นสวดให้ดีๆสวดแปลเนี่ยมันยิ่งมีความหมายยิ่งเข้าใจที่นี่ในสมัยโบราณไม่ได้แปลไม่ได้แปลก็เกิดปัญญาได้นะแค่นี้เปที่ความสงบเพราะในส่วนนี้พุทธเจ้าของเราเขาบอกว่า เธอไม่ได้แสดงทําให้แก่ชนเราอื่นเธอไม่ได้ฟังทำก็ได้ว่าเธอสาธยายทำเท่าที่ได้สดับเท่าที่ได้ศึกษาเราเรียนมาโดยพิสดารเธอยอมเข้าใจอัดเข้าใจทำในธรรมนั้นตามที่พิสุาราธยายทำเท่าที่ได้สดับเราเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเข้าใจอัดเข้าใจทำย่อมเกิดปาโมดย่อมเกิดปีติย่อมเกิดความตกใจกิตผ่อนคลายกลายสงบหลังจากนั้นก็มีความสุขก็เกิดสมาธิ ในศาสนาคุทธของเราฝ่ายมหายาณก็ชอบสวดมนต์สูตรต่างๆนับรูปประคำไปด้วยอย่างอย่างวัชรปารมิตาสูตรอย่างนี้หลังจากนั้นก็สัท ธ, ธัรรมปุนทิกสูตรอย่างเนี้ยเขาชอบสวดกันคนโบราณเราก็สวดมนต์ทำวัดเนี่ยเขาไม่ได้แปลแต่เขาก็สวดเกิดสัทธา อย่าลืมนะบางคนสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วจิต ด, ดับพลึบลงไปในขณะที่สวดมนต์นั้นเนี่ยเป็นได้เลยเพราะขณะสวดเนี่ยมันลืมอดีตมันลืมมอนาคตมันจ่ออยู่กับถ้อยคําที่สวดนั่นแหละและ้วก็เคลิ่อเคลื่อจากสภาพแวดล้อ ม, มูขขณะสวดด้วยรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนอยู่ อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามันเกิดศรัทธาอย่างล้นเหลือเกิดปีติปฏิทิสวดไปสวดไปสวดไปสวดไปจิตมันดับเพริบลงไปเลยสงบเพริบลงไปเลยนี่ฝ่ายนี้มันมันมันเป็นฝ่ายสมถะอยู่เพริบลงไปแล้วก็สงบเลยเลิกสวด น, นิ่งอยู่ตรงนี้แหละคนอื่นสวดจบเขากลับไปไหนแล้วยังนั่งสบายนิ่งอย่างนั้นนี่มันเกิดอย่างนี้ก็มี เมื่อจิตออกมาจากสมาธิชนิดนี้ก็เกิดเห็นสิ่งต่งางๆตามเป็นจริงมองไปอะไรต่ออะไรมันไปเลยไม่เหมือนชาวบ้านก็นละ่ะชาวบ้านเขามองไปทั้งโน้นหลอกมองไปทางนี้เห็นยุงตัวหนึ่งเมื่อเกิดมเมตตาสงสารมันขึ้นมาโอ้มันเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างนี้เรียกว่าเส้นทางที่สามในขณะที่สวดมนต์นี่เกิดวิปัสสนาก็ได้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันจริงเป็นจริงตามถ้อยคําที่สวด แต่ในขณะหนึ่งสวดไปสวดไปถ้าสวดไม่แปลนะเป็นอีกแบบนะสมมติเราไม่รู้จักความแปลเลยเนี่ยแต่ขยันสวดแล้วก็สวดด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิสวดไปสวดไปถึงจุดหนึ่งจิตนี้จะหยุดสวดพุ๊บลงไปเลยปุ๊บลงไปเลยสงบเงีบเติมสมาธิในขณะที่สวดหลังจากนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากนั้นก็จะเห็นโลกกระทัดมองโลกไปอีก ในลักษณะหนึ่งในลักษณะที่ดีงามเห็นมนุษย์เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันมองเห็นความไม่เที่ยงมองเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารในความเกิดมาในความดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์บีบขั้นนานาประการเต็มไปด้วยภาระอันหนักหน่วงที่ดำรงชีวิตอยู่เรียกว่า heavy the burden of life คือภาระอันหนักหน่วงแห่งชีวิตนะคร เห็นได้อย่างชัดเจนนี่เป็นทางที่สามเอต่อมาทางที่สี่ทางที่สี่วันนี้เราพูดกันเรื่องทางห้าสายสําหรับการหลุดพ้นที่สุดทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสะพมจารีในฐา น, นะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอเธอเองก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับ ให้แก่ใครฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเราอื่นโดยพิสดารแม้พิสูุนนั้นก็ไม่ได้ทำํำซาทยายนทำเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารก็แต่ว่าพิกษุนั้นตรึกตรองไข่ควรทําเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาได้เล่าเรียนมาด้วยใจเธ อ, อย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นตามที่พิสูุนั้นตรึกตรองใข้ครควญทำท่าที่ได้สดับ ศึกษาเราเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอาจเข้าใจทำแล้วก็เกิดปาโมดเกิดความช่ําชื่นชื่นใจในธรรมวินัยเกิดปีติเกิ ด, เ, กดเอิบอิ่มมีความอิมออ่มอกอิ่มใจแล้วก็เกิดจิตผ่อนคลายกายสงบปลางับเระะียกว่าปัสสธิหลังจากนั้นเธอก็มีความสุกจิตก็ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นคือเป็นสมาธิแล้วก็ เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นถึงความหลุดพ้นข้อที่สีข้อที่สีนี่หมายความว่าคิดเป็นโยนิโสมนสิการไตรตองพิจารณาอย่างเย็บคลายอินวเว i เกชั่นคือคือคือคล้ายครวนสอบ ทานธรรมะสืบก้นถึงตนเขาสืบซมาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยกออกมาวิเคราะห์วิจัยอันนี้ไปสู่ผลอันนั้นผลอันนั้นมาจากเหตุอันนี้อันนี้คืออะไรมันมาจากอะไรโดยวิธีใดเพื่ออะไรนี่คือทุกโอทุกชนิดนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากต้นตอนไหนตันหาอุปาทานอย่างไรและ เวลามันไม่มีดันหาอุปทานมันไม่มีโชคภาวะอย่างนี้จิตมันอยู่อย่างไรหทางเพื่อจะให้มันหลดมันพ้นไปคืออย่างไรทำอย่างไรใครควรไปต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดลึกซึ้งรู้จักเหตุของมั น, ล ะ, นละเหตุของมันเสียอย่างนี้แล้วมก็ถึงทางที่จะหลุดจะพ้นออกไปลักษณะเช่นนี้เรียกว่าคิดเป็นเป็นขบวนการที่จะสร้างปัญญา โยนิโสมนสิการขาบวนการสร้างสรรปัญญาสกัดกั้นกำลังอวิชชาตัดทอนกำลังแห่งตัณหาสลายอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นอย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นนะคิดเป็นอันที่ห้าอันที่ห้าหนทางที่ห้าเป็นหนทางสุดท้ายแล้วทีนี้เส้นทางสุดท้าย 4อย่างนั้นไม่ได้ผลไม่ไม่ไม่ได้ผลสําหรับเราก็มีทางสุดท้ายดูก่อนพิสุทธ์ทางหลายประการสุดท้ายพระศาตดาเพื่อนสัพมัญ จ, จารีบางรูปในท่านนะโคไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอแม่เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมเมื่อเข้าที่ได้เล่าเรียนได้ศึกษามาโดยพิสดารแกบุคคลเราอื่นและเธอก็ไม่ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารและเธอเองก็ไม่ได้คิด ไตรต อ, องพิจารณาใครควรทำที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอาจเข้าใจทำนั้นตามที่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทาไวในใจด้วยดีทรงไวด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญา เมื่อเธอเข้าใจอดเข้าใจทำก็เกิดปาโมดเกิดปาโมดแล้วก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีติกายก็สงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมได้สเสวยความสุขเมื่อจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมัน่นดูก่อนพิสังหลายนี่เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจากอาสะวะ ที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปเธอย่อมได้บรรลุทำอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุดูก่อนพิษุทังหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้แหลจึงเป็นเหตุให้จิตของพิสุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น จาอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกนเสมจากโยคะชั้นยี่ยมที่ยังไม่บรรลุนี่ครู<ม>พุทธเจ้าพูดอย่างนี้ยัตถะพิโกโนอปปมมะตัสสะอาตาปิโนปะหิตัสสะวิหรารโตอวิมุตตังวาจิตตังวิมุตติจิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็จะหลุดพ้นอปริขีนาวาอาสวะอปริขะยังคะชันติ อาสะวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปอ น, นุปตังวาอ น, นุตตลังโยคเคมังอ น, นุปาปุนาติเนี่ยเธอยอมบรรลุทำมันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุทางสุดท้ายไม่มีทางเลือกคือการเจริญสมาธิภาวนาเส้นทางสุดท้ายทางสมถะสมถะฟังให้ดี แต่ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพากันดูถูกเรื่องสมถะน่าเป็นห่วงกันจริงๆแล้วจะทําอย่างไรคนไม่เหมือนกันทา้งหลายเสด็จตามใจให้เลือกไตเจ้าหักมักเสด็จเวิรงทา้งเหลี่ยวก็หักมีขันจะมั่วแต่เที่ยวทา้งเวิรงเฮิงลายมันเสีคํามั่วแต่กินหมักหวา่ามันเสียสาคําทั้งเพราะเหตุนั้นพวกเราเอามันเลยทั้งห้ า, าสาย คือจะไปหลายสายเทยละบานีงเอาอยัางไงฮะสายฟังกอดฟังเทศในคนอื่นฟังกอดเทศไม่ใช่เพียงเทศเหมือนพระเทศนะโยมก็เทศเป็นไม่ได้ไปเทศบวัรมาศจะพูดให้เพื่อนฟังนั่นแหละสนทนากันนั่นแหละเอออันนี้มันไปจังสันนี้อันนั้นมันไปจังสี่นี้เนาะเอามาคุยกันได้คนละคืบละศอกละแขนเอามาต่อมาพิจารณากัน ฟังก็ฟังพูดในคนอื่นฟังก็พูดเอามาคลาควรในจิตในใจก็เอามาคิดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์นอกจากนั้นสวดมนต์สาธยายทําวัดสวดมนต์แล้วก็สวดอยู่อย่างเนี้ยสมาธิเราก็ทําเหมือนพวกเราทำํำตื่นมาตีสองก็มันซัดกับมันอยู่อย่างเนี้ยทํำยังไง เรามันเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรนข้อนพุทธการพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันตท่านก็เสด็จดับขันปริเนปันไปหมดเล้วเราเองก็เดินตามหลังเหมือนเด็กน้อยตามรอยของท่านไปรอยของพระอริยเจ้าตามรอยพระอริยเจ้ามันก็มีอยู่ถึงห้าทางบางท่านบรรลุธรรมด้วยการฟังบางท่านบรรลุธรรมด้วยการแสดงให้คนอื่นฟังบางท่านบรรลุธรรม ในขณะที่ตนเองแด็กใคร่ควรพิจารณาอยู่ในจิตในใจแล้วแล้วเล่าเล่าแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาขบให้แตกด้วยทิศฎีบางท่านบรรลุธรรมในขณะที่สวดมนต์ซาตยายใคร่ควรเข้าใจอาจเข้าใจธรรมแล้วก็เอาไปตอมันต่อไปบางท่านบรรลุธรรมด้วยการทำความเพียรยังเคร่งเครียดไม่ยอมท้อถอ ย, อยตายเป็นตายยางเป็นยัง ตายก็ฝังยังก็ทำความเพียรมันต่อไปอธิษฐานจิตต่อสู้กับพญามารให้มันเหลือแต่กระดูกตายทับแผ่น ด, ดินก็ยอมกามังตะโจจระวาตะห้ารูจะอธิจะอวิสัสตตุเราก็พูดกันอยู่อย่างนี้เหลือแต่นังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เลือดเนื้อมันเถิดแห้งไปตายเน่าอยู่ตรงนี้ก็ยอมยอมไม่ท้อถอย เพื่อลบรอยร้าวคราบน้ําตาในวัฏสงสารเป็นอนเนกชาติจะเกิดมาอีกพันชาติก็อ ย, ยอมมุ่ยด้วยหาเลหันถ้าเกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งันจะฟาฟันกิเลสภัยด้วยใจธนูตายโลดเมื่อนี่เกิดมาใหม่จะฟาดกับมันอีกกิเลสไม่ยอมไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้กับมันเพราะฉะนั้นเรื่องสมถะอันเนี่ยตัวสุดท้ายนี่สำคัญ ทำสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึง่งเธอเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอาจเข้าใจทำนั้นอะไรคือสมาธินิมิตผู้เป็นภาษาฝรั่งหรือว่า Subject Meditation อารมณ์ของสมาธิด้วยดีอันใดอันหนึ่ง คือการทำสมถะนั่นเองการเจริญสมถะนี่จะต้องทำอย่างแยกคายแล้วก็เอาใจใส่ใช้เวลามากในสมัยพุทธกาลนั้นเหมาะสมเพราะว่าสมัยพุทธกาลมีปากเขาลำเนาภัยอารมณ์ภายนอกลูกเสียงกินรถยังไม่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้ยังไม่ถึงยุคไฮเทคลูก ร, รถกินเสียงต่างๆยังไม่มี พวกแสงสีเสียงเครื่องหยั่วย้อมมอมเมาอย่าโยมทั้งหลายแบบมีใครมาหนุ่งน้อยหอมน้อยเรื่องเพศเรื่องเซ็กหนี่เขารักษามากเลยเขามาหาพระหาเจ้าเขารักษาสมัยก่อนนั้นอารมณ์ภายนอกที่จะทำให้ใจวุ่นวายนั้นมีน้อยแต่สมัยนี้ทั้งโรปก็รุนแรงทั้งเสียงก็รุนแรงทั้งกินก็รุนแรง แล้วยิ่งไปกว่า น, นั้นศาสนาพุทธในสมัยยุคปัจจุบันถ้าตรงไหนครูบาอาจารย์มีหน่อยคนรู้จักเขารบนับสือตรงนั้นแหละยิ่งไม่สงบยิ่งรบกวนพระไทยพูดภาษาไทยรู้เรื่องคนเข้ามาติดต่อไปแสดงธรรมที่ไหนต่างๆไปบิณฑบาตไปสวดไปเทศ ม, มันไมรู้จักยากหน่อยที่จะทำให้เกิดความสงบ ภายนอกนะใช่นี่ความสงบภายในนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ก็อาศัยภายนอกเหมือนกันสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยเอื้ออำนวยไป 50% สภาพแวดล้อมภายในบุคคลสถานที่และจิตใจของตนเองช่วยไปอีก 50% เพราะนั้นกวกที่จะเหมาะสมที่จะทำให้เกิดสมถะ ขึ้นมาสงบระดับอัปันนาสมาธินั่นเพราะว่าพระพลังแต่มีโอกาสมากกว่าพระไทยมาเมืองไทยผููกับใครไม่รู้เรื่องไม่ต้องทําอะไรบินทบานมาฉันทําความเพียรลูกเดียวนี่มันเหมาะมันเหมาะมากที่จะทุ่มเทให้เกิดสมถะสมถะนี่มันโลดพผลหน่อยนะถ้าใครได้สมถะมีสมาธิ มีกำลังจิตมากมันมีผลหลายอย่างหลายประการเหมาะที่จะช่วยโลกอีกแบบหนึ่งทรมานคนดื้อคนไม่เชื่อเพราะว่าสมถะคือตัวสมาธิเมื่อจิตสงบมากๆระดับอปนาสมาธิชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงระดับเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานแห่งจิตเนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรได้น่าอัศจรรย์ เรียกว่าเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์โนมอนอุนตรามันเด่นอะไรต่างๆมันเนื้อมนุษย์ธรรมดาเลยแล้วคนในยุคไฮเทคยุควิทยาศาสตร์เนี่ยจะทึงและจะกลับเทิร์นแบ็คทูลิเลียนเทิร์นแบ็คทูเบสิกเขาจะกลับมาสู่พื้นฐานทางศาสนาเขาจะไม่มองข้ามศาสนาว่าเป็นเรื่องเลว ไ, ร, ไร้สาระเพราะจิต พวกที่มากไว้ด้วยสมถะเนี่ยเหมาะสมที่จะกลับไปเผยแผ่ในดินแดนวิทยาศาสตร์อย่างโลกตะวันตกคือทางเมืองฝรั่งแต่ทางวิปัสสนานี่มันใกล้ไปทางทิษฎีพูดกันอยู่นั้นแล้วพวกชอบพูดชอบฟังแต่มันไม่เข้าใจมันก็สงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่โลดพ้นมันเจิดมันชืดแต่ว่ามันสามารถทาลายกิเลสได้อย่างรวดเร็ว เพราะนั้นวิปัสสนานั้นเหมาะสําหรับผู้ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ไวๆส่วนสมถะนั้นเหมาะสําหรับผู้ที่จะออกจากทุกข์ตนเองและก็ช่วยสังคมได้ด้วยในยุคไฮเทคเนี่ยและจะทําอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้ผมว่าพระไทยถ้าจะเจริญสมถะต้องไปยุ่เมืองฝรัง่ง ที่มันพวดกันไปรู้เรื่องมีคนมาทําบุญว่าได้กินข้าวแล ะ, จะเจริญสมาธิภาวนาลูกเดียวนั้นเหมาะสมที่สุดเดี๋เมืองไทยถูกรบกวนมากแล้วพระฝรั่งมาอยู่เมืองไทยเหมาะมากที่จะเจริญสมถธิได้อย่างเต็มที่สมาธินี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความภาคเปลี่ยนปยายามมีพิธีรีตองละเอียดมากนะส่วนวิปัสสนานั้นวิสเอาลิชวันแอนสเลโมนีคือไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเลยกล้าพูดได้เลยว่าวิธีทางแห่งวิปัสสนานั้นไม่มีพิธีกรรมตื่นขึ้นมาก็เอามันทันทีเลยจนหลับไปตื่นเพื่อมาก็มีสติทันทีเอาสตินะใช้สติมากปฏิสัมปชัญญะไม่ตลอดยืนเดินนัง่งนอนกินทายพูดคิดไม่ว่าจะเคลื่อนจะไว้อย่างไร ไม่ต้องมาโอกาสะโอกาสะไม่ต้องมาขอกำมาทานโอกาสนี้เตือนขึ้นมาก็ซั์กันเลยสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นแหละคือลักษณะวิปัสนาล้วนๆในมหาสติปัฏฐานโสพระพุทธเจา้าไม่ได้บอกว่าไปสู่ป่าสู่โคลนไม้สู่เรือนว่างที่ไหนดอกท่านก็บอกว่าให้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม กายเวทนาจิตทำมันอยู่กับเราทุกเมือ่อเราจะอยู่บา่านเราจะอยู่บา้านเราจะดำลงไปในน้ำเหาะไปในอากาศมันก็มีกายมีเวทนามีจิตนี่สติสัมปชัญญะสัมปชานโนสติมห า, ว, า, า, มาวินยะโลตาปีสติมาสัมปชานโนวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังเอาไว้พูดกันที่หลังเรื่องวิปัสสนาวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องสมถะน้อย วิปัสสนานั้นทําได้ทกขณะแล้วจะตื่นขึ้นจนหลับหลับแล้วยังทําได้อีกในฝันถ้าฝันฝันไปก็มีสติอยู่ในฝันมันก็ตื่นมากขึ้นมาอกีกฝันไม่ไปเรื่องไปราวคนอยู่ในวิปัสสนาฝันก็ไม่จําตื่นมาก็สลายทิ้งหมดมันไม่อยู่กับอดีตมันไม่ไปเอาอนาคตอยู่กับปัจจุบันผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมากๆฝันก็ไม่ไปเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่จดจํา ความคิดก็ไม่ไปเหลือไปลาวคิดทิ้งคิดขวางรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยอย่างเนี้ยวิธีทางแห่งวิปัสสนามันทำอยู่ตลอดการไม่ต้องกลัวใครจะมารบกวนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ประสบพบพัผ่านทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจกลายเป็น subject meditation ไปหมดกลายเป็นเครื่องมือของสมาธิทางวิปัสนาไปหมดเลในนี้ส่วนสมาธานั้นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม ผมจึงบอกว่าฝรั่งเหมาะมากถ้ามาอยู่เมืองไทยพระไทยก็เหมาะมากถ้าไปทําอยู่เมืองฝรั่งผมยังเคยคิดว่าเวลาไหนผมลําบากเหนื่อยมากมีแต่นิมนต์ผมอยากไปอยู่เมืองนอกไปสบายอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในเมืองที่ไม่มีคนรู้จักสบายกินข้าววันละครั้งเดียวยเรินสมาธิภาวนาเดินจงกรมอยู่นั่นเล้วแต่ก็น่าเสียดายพระไทยเราไปก็ไม่ได้ผล ไปหารถน้ำมนพ่นน้ำมันสักกะหม่อมเสกกระ บ, บ้านกับคนไทยกับพวกโบสถ์ผีเพื่อนกับพวกลาวอพยพขมิ้นอพยพในที่สุดมันก็ไม่ใช่ไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเงินเพื่อทองข อ, อัยอาจจะรุนแรงตายเป็นเรื่องพูดไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนใจผู้อื่นเรงที่มันเป็นความจริงที่นี่อันมาดูว่าสมถะเนี่ยควรจะทาอย่างไร เรื่องของสมถะนี้ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามมากมันยากกวิวปัสสนานนะถ้าจะว่าไปแล้วแต่บางคนมันง่ายง่ายเพราะเขาเคยได้สั่งสมอบรมบุญญา ก, า, การมาหลายชาติแลว้วมาชาตินี้ง่ายที่จะสงบแต่ยากมากที่จะให้เกิดปัญญา บางคนมันง่ายที่จะเป็นวิปัสนาแต่มันยากเย็นแสนเข็ญสําหรับจะให้เกิดสมถะเป็นนั้นว่าเวลาของเราในวันนี้เห็นทียบยไม่พอก็ต้องยุติลงเพียงเท่า น, นี้ไว้ก่อนวันต่อไปเราก็คงจะต้องมาพูดกันอีกเอาเป็นตอนเย็นของวันนี้ก็แล้วกันเนี่ยมันวาวาสงวันใหม่มาถึงแล้วขอความ จเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่าน